ขอเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจผู้สนทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลา ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับการทำนุกบำรุงต้นไม้หรือเมล็ดพันธุ์พืชที่เราได้ฝังเอาไว้ในดินถ้าเราคอยให้น้ำคอยพรวนดินคอย ดูแลรักษามเมล็ดพืชที่อยู่ในดินก็จะค่อยเจริญงอกงามออกมาเป็นต้นไม้ออกดอกออกผลต่อไปใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเรานี้ยังต้องการพัฒนาอีกมากเพราะใจเรายังเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์พืชหรือเป็นต้นกล้าเล็กๆ ที่พึ่งโผล่มาจากดินถ้าไม่ได้รับการดูแลทลํานุบำรุงรักษาก็จะตายไปได้หรือไม่พัฒนาให้กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ออกดอกออกผลใจของเรานี่เราได้เราได้เชือ้อหรือเราได้ปุ๋ยจากพระพุทธศาสนา พระพุทธศ า, าสนาหรือพระธรรมครมสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียบเหมือนปุ๋ยที่จะช่วยให้อาหารแก่มเมล็ดพืชคือใจของเราให้เจริญเติบโตให้พัฒนาสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ระดับปุถุชนธรรมดาสามัญจนถึงขั้นพระ อ, อริยเจ้าขั้นต่างๆ มีปุ๋ยของพระพุทธศาสนาคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาและได้น้อมนำามาปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับชีวิตจิตใจของพวกเราไม่มีอะไรอื่นใดในโลกนี้ ที่จะมีความเหมาะสมที่จะมีคุณมีประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของพวกเรายิ่งกว่าพระพุทธศาสนายิ่งกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจึงได้มุ่งมั่นกันมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็นาเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่กาลังแห่งสติปัญญาศรัทธา ความเพียงของแต่ละบุคคลเพราะผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองไม่ได้อยู่ผู้ผู้อื่นผู้อื่นเพียงแต่คอยชี้ทางคอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนหรือคอยแก้ไขในเวลาที่เดินผิดทางไปแต่ผู้ปฏิบัติคือ แต่ละท่านจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเพราะทมเป็นสันติโกเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึ่งรู้เพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองไม่มีผู้อื่นจะมารู้แทนผู้อื่นได้เหมือนกับการรับประทานอาหารไม่มีผู้อื่นสามารถมาจะมารับประทานแล้วมาบอกรสชาติว่าเป็นอย่างไร แทนเราได้ต่อให้เขารับประทานไปมากน้อยเพียงไรแล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่าเป็นรสชาติดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราเองไม่ได้ไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้รับประทานเราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเป็นอย่างไรเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธเจ้าและพระสาวกอหรหันทั้งหลายมา นำมาเผยแผ่นำมาสั่งสอนแก่พวกเราก็เป็นอย่างนั้นท่านมาบอกเราว่าพระธรรมนี้เป็นอาหารรสที่เลิศที่สุดรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงพระองค์เหล่านั้นเคยสัมผัสกับรสทุกชนิดมาแล้วในทางโลกรสแห่งลาบยศสรเสริญสุขท่านก็เคยสัมผัสมาแล้ว แต่มันเป็นรถที่มีพิษ ม, มีพิษมีความเผ็ดร้อนผสมมาด้วยรับประทานไปทีไรแล้วจะต้องปวดร้าวเข้าไปถึงในหัวใจไม่เหมือนรดแห่งธรรมที่ไม่มีพิษไม่มีความเผ็ดร้อนซ่อนอยู่เลยมีแต่ความสงบสุขเย็นสบายและจะมีอย่างถาวรไม่เสื่อมคลาย ถ้าสามารถสร้างลุษะสมให้ถึงจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ก็จะไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากจิตจากใจอย่างใจของพระพุทธเจ้าและพราสาวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นท่านได้สร้างลดแห่งธรรมในใจของท่าน จนมีอยู่เต็มหัวใจครบท่วนครบร้อยครบบริบูรณ์ยังมีรถแห่งธรรมหล่อเลี้ยงใจไปตลอดอนันตการไม่จำเป็นต้องไปเวียนไหวาตายเกิดไปหารถชนิดต่างๆมาบำรุงบำรุงจิตใจเหมือนพวกเราที่ยังไม่ได้สร้างรถแห่งธรรม ให้มีสมบูรณ์อยู่ในใจของพวกเราพวกเราจึงยังต้องออกไปแสวงหารถอย่างอื่นมาทดแทนมาชดเชยเพราะใจยังมีความหิวมีความต้องการอยู่ถึงแม่รู้ว่ารถแห่งธรรมจะเลิศอย่างใดก็ตามแต่เนื่องจากอินทรีย์บา ร, รมียังไม่แก่กล้าพอ ย, ยังไม่สามารถที่จะตัดลดรส ช, ชาติชนิดอื่นๆได้ยังต้องอาศัยรสชาติชนิดนั้นชนิดนี้ไปพังๆก่อนแต่ก็อย่าไปคิดว่าเป็นรสชาติที่ดีเหมือนกับรสชาติแห่งธรรมก็แล้วกันขอให้เราพยายามแหวกว่าความอุปสรรคต่างๆ ที่คอยขวางกั้นในการเสริมสร้างลดแห่งธรรมนี้ด้วยความขันติความอดทนอย่าไปเสียดายอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นรถดีนั้นมันมีพิษมีความเผ็ดร้อนติดตามมาด้วยสู้เราพยายามแหวกไหวต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ขวางกัน้นการปฏิบัติของเราเพื่อให้เราได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้สัมผัสแล้วนำเอามาสั่งสอนแก่พวกเรานี้ไปเถิดแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้มีแต่ความสุขตลอดเวลาและไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลย ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางความทุกข์เช่นในขณะที่ยังอยู่กับขันห้ายังอยู่กับร่างกายยังอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่แต่จะเป็นการอยู่แบบเป็นมิตรกันคือจะไม่เป็นปฏิปักกันจะไม่มาเหยียบย่ำทำลายกันต่างฝ่ายต่างอยู่กันร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มาเหยียบย่ำทำลาย จิตใจให้ทุกขทรมานไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใจก็ไม่ไปเหยียบย่าำร่างกายปล่อยให้ร่างกายอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่ต้องไปผ่าเขาไม่ต้องไปตัดเขาออกไม่ต้องไปรักษาแบบวิธีการต่างๆให้มันทุกทรมานไปเปล่าๆเพราะในที่สุดร่างกายนี้ย่อมต้องเป็นไป ตามธรรมชาติของเขาคือย่อมแก่ย่อมเจ็บและตายไปไม่ว่าจะมีวิธีการอันใดที่จะมารักษาหรือป้องกันก็จะไม่สามารถรักษาหรือป้องกันความแก่ความเจ็บ ค, ความตายไปได้นอกจากจะประวิงเวลายืดเวลาของความทุกข์ของร่างกายให้มียาวขึ้นไป โดยใช่เหตุเสียเวลาเปล่าๆใจกับร่างกายหรือใจกับขันห้านั้นเป็นคนละส่วนกันขันห้าเป็นเหมือนรถยนต์เป็นเหมือนเป็นเหมือนอเครื่องมือของใจใจที่มีความหลงมีความอยากยังต้องมีเครื่องมือไว้ตอบสนองความอยาก แชนมีความอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากสัมผัสกับรสชาติกลิ่นหรือสัมผัสทางร่างกายก็จำเป็นต้องมีร่างกายถึงจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ใจจึงต้องไปคว้าไขว่ค ว, าวา้าเอาร่างกายมาเป็นเครื่องมือร่างกายของเรานี้ก็ ใจของเราก็ไปไขวยคว้ามาคือหลังจากที่ใจของเราได้จากร่างกายอันเดิมไปเหมือนรถยนต์คันเก่าพังไปแล้วคนขับยังมีความจาเป็นต้องอาศัยรถยนต์ก็ต้องไปหาซื้อรถยนต์คันใหม่ถ้ามีกำลังทรัพย์มากกว่าเดิมก็สามารถซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมดีกว่าคันเก่าได้ ถ้ามีกำลังทรัพย์น้อยกว่าก็จะไม่สามารถซื้อรถยนต์ที่มีคุณภาพเหมือนรถคันเก่าได้ก็ต้องลดหย่อนลงไปตามกำลังของของกำลังทรัพย์ของผู้ซื้อกำลังทรัพย์ที่จะทำให้เราได้ร่างกายได้พบชาติที่ดีกว่าเดิมนี้ก็เรียกว่าบุญนี้บุญ ล, ลึกธรรมะ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 รถยนต์หรือภพชาติที่ดีกว่าเดิมแล้วถ้ามีกำลังทรัพย์มากเต็มที่ก็จะสามารถซื้อหรือได้ได้ความสุขที่ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยรถยนต์อีกต่อไปก็คือพระ น, นิพพานพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่สูงสุด เป็นความสุขที่ทําให้ใจนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องออกไปแสวงหาความสุขจากสิ่งอื่นอีกต่อไปเมื่อใจได้สร้างบุญได้สร้างกุศลได้สร้างธรรมะจนใจได้พบกับพระนิพพานแล้วได้พบกับความสุขเต็มที่แล้วใจก็ไม่จำเป็นจะต้องไปไ ข, ขว่คว้าหาร่างกายมาอีกต่อไป แล้วเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวข้องเพราะร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไครก็ะตามของมนุษย์หรือของเทวดาหรือของเดรัจฉานย่อมมีความเปลี่ยนแปลงย่อมมีความเสือ่อมย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมีความเสือ่อมมีการดับไป ความทุกข์ย่อมมีตามมาเพราะใจยังมีความยึดติดยังมีความหลงคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราอยู่นั่นเองแต่ถ้าได้มาสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันแล้วแล้วมีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจพอสมควรแล้วก็จะเริ่มเห็นว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงรถยนต์คันหนึ่งใจเป็นเหมือนคนขับคนขับไม่ต้องไปทุกร้อนกับเรื่องของรถยนต์มากจนเนไปเพียงแต่คอยดูแลทำนุบำรุงรักษาให้อยู่ไปได้เพื่อจะได้นาเอาม า, มาใช้งานเพื่อจะได้ขับรถยนต์คันนี้พาไปสู่ พระนิพพานเท่านั้นเองนี่คือประโยชน์ของร่างกายของพวกเราอยู่ที่ตรงนี้เป็นรถยนต์ที่จะพาให้เราได้ไปถึงพระนิพพานให้ดให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราอย่าไปหลงใช้รถยนต์คันนี้ไปอาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่ไม่ถาวร แล้วก็เป็นความสุขที่ผสมไปด้วยความเผ็ดร้อนลดแห่งธรรมกับลดทั้งทางโลกนี้มีความแตกต่างกันอย่างนี้ลดแห่งธรรมนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นในความสงบไม่มีความรุ่มร้อนมาเจือปนและก็จะอยู่ไปกับใจไปเรื่อยๆตราบใดที่ใจ ได้รับการทำนุบํานุบำรุงดูแลอย่างสม่ำเสมอส่วนความสุขทางโลกนี้เป็นความสุขที่สุขเพียงชั่วประเดียวเดียวเหมือนควันไฟเป็นความสุขชั่วในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสพอผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเกลี่ยวมีความอยากมีความต้องการเพิ่มขึ้นมา และมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจึงต้องคอยกำจัดความสุขแบบนี้อย่าไปเสียเวล า, วากับความสุขเหล่านี้มากจนเกินไปพยายามหันมาสร้างความสุขทางธรรมะจะดีกว่าเพราะจะเป็น การพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาความสุขที่ถาวรที่จีรังที่จะไม่เสื่อมไม่หมดไปจากจิตจากใจส่วนความสุขของทางโลกนี้อยู่ที่ร่างกายเป็นหลักถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปความสุขที่จะได้รับก็จะ น้อยลงไปตามลำดับเช่นถ้าหูหนวกอย่างนี้ก็ไม่สามารถฟังเสียงที่ทชอบฟังได้ถ้าตาบอดก็ไม่สามารถมองภาพที่ชอบมองได้ทุกสิ่งทุกอย่างความสุขของทางโลกนี้ตั้งอยู่บนบนพื้นฐานของร่างกายนี้เองแต่ร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่ถาวรและมีแต่จะเสื่อมคุณภาพไปเรื่อยๆความสุขที่จะได้จากทางร่างกายก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ภายในใจก็จะมีเพิ่มขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบหาความสุขทางธรรมมาชดเชยมาสนับสนุนจิตใจ ถ้าเรามีความสุขทางธรรมแล้วและไม่ต้องอาศัยความสุขทางโลกหรืออาศัยน้อยลงไปเรื่อยๆยิ่งเวลาร่างกายเสื่อมลงไปแก่ลงไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขทดแทนคือความสุขของธรรมะนี้อยู่ในใจของเราเปรียบเหมือนกับการใช้ไฟ เราต้องมีไฟทั้งสองระบบถึงจะดีเราใช้ไฟฟ้าของหลวงแล้วเราก็มีเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ในกรณีที่ไฟฟ้าของหลวงของทางราชการเขาเกิดดับไปเราก็ยังมีไฟสำรองคือเรามีเครื่องปั่นไฟธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนกับไฟสำรองหรือความจริงจะเป็นไฟที่ ที่แท้จริง ก, ก็ว่าได้เพราะถ้าเรามีธรรมะเต็มที่แล้วเราไม่ต้องอาศัยไฟของทางโลกอีกต่อไปถ้าเรามีความสุขทางธรรมอย่างเต็มที่แล้วเราจะไม่ต้องอาศัยความสุขของทางโลกจะไม่สนใจกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑต่างๆที่คนในโลกยังมีความทิศวัด ยังมีความยินดีชื่นชมอยู่เพราะรสชาติของความสุขทางโลกนี้เปลี่ยนไม่ได้กับรสชาติของความสุขทางธรรมรสชาติของความสุขทางธรรมนี้เหนือกว่ารสชาติของทางโลกเป็นล้านล้านเท่าเลยทีเดียวจึงขอให้เราเห็นคุณค่าของลดแห่งธรรมนี้ และพยายามสร้างฉันทะคือความยินดีในรสชาติแห่งธรรมวิธีที่จะสร้างฉันทะก็วิธีก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนจากจากข้อมูลที่ถูกต้องเช่นจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือจาก พระธรรมคำสอนของพระอริยสงสารุกทั้งหลายพระสุปฏิปโนทั้งหลายผู้ที่ได้ปฏิบัติและบรรลุทำแล้วเพราะถ้าได้ยินได้ศึกษาจากแหล่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความศรัทธาความเชื่อและเกิดฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติ วิริยะความขยันหมั่นเพียรเพราะความรู้ที่ออกจากปากของผู้ที่รู้จริจรงเห็นจริงนี้ฟังแล้วจะไม่สับสนจะไม่ทําให้สงสัยแต่จะกะจัดความสงสัยได้จะบอกให้เห็นถึงความเป็นจริงได้จะทําให้ผู้ฟังนี้มีความเห็นที่ถูกต้องได้แล้วจะ ทำให้จิตใจของผู้ฟังนั้นมีความสงบมีความมีความแจ่มใสถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วฉันทะและศรัทธาจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าผู้ฟังฟังด้วยสติคือฟังด้วยใจที่จดจอ่อแล้วก็ฟังด้วย การพิพจรารณาคร่ครวนตามไปด้วยบางท่านไม่เข้าใจถึงหลักการฟังธรรมเวลาฟังธรรมคิดว่าให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการฟังธรรมเป็นการเป็นการาลบกวนการฟังธรรมถ้าตั้งารบริกรรมพุทโธไม่ต้องไปฟังอะไรทั้งนั้นไปหาที่สงบเงียบไม่มีเสียงลบกวนจะดีกว่า แต่การฟังธรรมนี้ท่านให้ฟังที่เสียงของธรรมะฟังแล้วก็ให้พิจารณาตามใข้ควรตามตามเหตุที่ได้ได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้ามีความเข้าใจก็จะทําให้ใจหายสงสัยแล้วทําให้ใจสงบทําให้ใจสว่างมีความเบิกบานมีความสุขขึ้นมา ได้การฟังทมต้องฟังแบบนี้ถึงจะเกิดปัญญ า, เ ก, าเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดศรัทธาเกิดฉันทะเกิดวิริยะที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเวลาฟังธรรมขอให้ตั้งใจฟังอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นหรือเรื่องนี้ พยายามควบคุมใจด้วยสติให้ฟังเสียงที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วไปรอบรู้ที่ใจเหมือนกับเวลาที่เราเทน้ำใส่แก้วอย่าขยับขยื่นแก้วไปซ้ายขวาให้วางแก้วไว้เฉยๆเวลาเทน้ำลงไปในแก้วจะได้เข้าไปในแก้วได้เต็มที่ ถ้าเราเทน้ำลงไปในแก้วที่ขยับขยื่นไปมาเช่นเวลานั่งอยู่ในรถยนต์แล้วเราจะเทน้ำใส่แก้วแก้วจะไม่ไม่นิ่งอยู่เฉย เ, เวลาเทลงไปก็อาจจะเข้าไปในแก้วบ้างไม่เข้าไปบ้างฉันใดใจของเราก็เป็นภาชนะที่รองรับ พระธรรมคำสอนของ พ, อพระพุทธเจ้านี้เองแต่ใจของเราจะลองรับนลองรับธรรมะได้เต็มที่ก็ต้องมีความนิ่งมีความสงบ ก, การฟังธรรมท่านจึงต้องมีศีลและมีสมาธิถึงจะฟังแล้วถึงจะได้ปัญญาศีลก็คือความสงบ ก, กายสงบวาจาเวลาฟังเทศฟังธรรมไม่ควรที่จะทําอะไร ควรจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ควรพูดคุยกันตัดการกระทำทางกายทางวาจาไปให้กายสงบให้วาจาสงบแล้วก็ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบด้วยสติควบคุมด้วยการบังคับใจให้อยู่กับเสียงของผู้แสดง ให้อยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วเข้าไปรับรู้ที่ใจแล้วก็พิจารณาตามไปก็จะเกิดขึ้นปัญญาขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการฟังธรรมในสมัยพระพุทธการที่สามารถทำให้ผู้ฟังธรรมนี้บรรลุธรรมได้เพราะผู้ฟังผู้แสดงก็เป็นผู้แสด ง, สดงความจริงล้วนๆร0เอร์เซ์ คือพระพุทธเจ้าทุกคำพูดของที่ออกมาจากพระโอส์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความจริงทั้งนั้นและผู้ฟังก็มีศีลมีสมาธิพอฟังแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้เลยบรรลุธรรมได้เลยเช่นทรงแสงทรงแสดงพระธรร ม, มาเทศนาครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคี ก็มีภาพหนึ่งในภาพบรญจารวกีคือพระอัญญาณโกนธัญะได้บรรลุทมขั้นที่หนึ่งอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเป็นพระเสวดาบังพรารทมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นทำให้พระอัญญาณโกนธัญะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไายลักษณ์นั่นเองทรงแสดงพระอริยสัจสี ทรงแสดงทุกขสมุทัยนิโรธมากทรงแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพระ อ, อนนัญญาณกนทะยาฟังแล้วก็พิจารณาค่ายควรก็รู้ทันทีว่าทาทั้งปวงนั้นมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายเมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาพอฟังพอใจฟังแล้วเข้าใจก็ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่กลัวว่าร่างกายจะแกะ่จะเจ็บหรือจะตายพร้อมที่จะให้ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของเขาถ้าพร้อมแล้วใจก็จะไม่วุ่นวาย จะไม่ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายหรือการพัดผ้าจากผู้อื่นซึ่งเป็นร่างกายเหมือนกันผู้อื่นก็มีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันหรือวัตถุข้าวของต่างๆก็มีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมเหมือนกันเช่ น, งนเงินทองก็ต้องเสื่อมไปในที่สุดคือเมื่อเรา ร่างกายนี้ตายไปเงินทองก็กลายเป็นของคนอื่นไปตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ก็หมดไปเช่นเดียวกันคำาสรรเสริญก็หมดไปความสุขที่ได้จากการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายก็หมดไปเช่นเดียวกันแต่ใจนี้ไม่หมดไปกับสิ่งเหล่านี้ถ้าใจปล่อยวางแล้ว ใจกับมีความสุขใจกับไม่ทุกข์กับการสูญเสียแต่ถ้าไม่ปล่อยยิ่งยึดติดมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ทรมานใจมากขึ้นไปเท่านั้นลองสังเกต ด, ดูเวลาเราลักเราหวงอะไรแล้วเวลามีใครเขาจะเอาจากเราไปนี้เราจะทุกข์ทรมานใจมากแต่ถ้าเรายินดีให้เขาไปแล้วเราจะไม่ทุกข์ทรมานใจเลย อย่างวันนี้ญาติโยมก็นำเงินทองของญาติโยมหรือข้าวของต่างๆของญาติโยมที่ญาติโยมไม่ยึดไม่ติดแล้วมีความยินดีที่จะให้จากญาติโยมไปแล้วนำมาถวายพระญาติโยมก็ไม่มีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเลยกับมีความสุขซะอีกที่ได้ให้สิ่งเหล่านี้ไปแก่ผู้อื่น ฉันใดถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแล้วเรายินดีที่จะให้ร่างกายเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปตามเรื่องของเขาเราจะมีความสุขมากเราจะมีความสุขกว่าคนที่ยึดติดกับร่างกายแล้วยังไม่ยอมแก่ยังไม่ยอมเจ็บยังไม่ยอมตาย พอผมหงอกก็ต้องไปย้อนไปไปไปรักษาให้เป็นสีดำอยู่เรื่อยๆ เ, mm hmm. เวลาหนังเริ่มเหี่ยวย่นก็ต้องไปหาหมอสัญญกรรมตกแต่งแต่ใจต้องทุกขทรมานไปกับการคอยดูแลรักษาปกป้องร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายทรมานอยู่ตลอดเวลาห่วง ทุ ก, กังวลอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะถูกความหลงครอบงามจิตใจไม่ได้เห็นความทุกข์ทรมานของใจนั่นเองนี่คือความแตกต่างของผู้ที่มีปัญญานึืมีดวงตาเห็นธรรมหรือหรือไม่ถ้ามีแล้วจะปล่อยจะวาง จพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าหวงถ้ายึดติดเอาไว้แล้วจะทุกทรมานใจถ้ามีธรรมะอย่างนี้สอนใจแล้วก็จะสามารถอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างไม่เดือดร้อนใจแต่อย่างใดเพราะปล่อยวางหมดแล้วเพราะพิจารณาด้วยปัญญา หรือได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนว่าสัพเพธรรมานัตตาทำทั้งปวงเรือทุกของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนาตตาคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับเราไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับร่างกายของคนอื่น ร่างกายของคนอื่นก็ปล่อยให้คนอื่นเขาดูแลไปเขาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ไปทุกข์ทรมานไปกับเขาร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดูมันเป็นอย่างนั้นดูว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเขามาฝากให้เราดูเราก็ดูไปตามตัตภาพถึงเวลาก็ให้รับประทานอาหารถึงเวลาก็ให้อาบน้ำอาบท่าถึงเวลาก็ให้หลับนอน เวลาก็เอาไปใช้งานใช้การแต่เมื่อถึงเวลาเจ้าของเขาจะมาเอาคืนไปก็ยกให้คืนเขาไปเท่านั้นเองก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายขอให้เราจำคำนี้ไว้ให้ดีปยายามแยกใจออกจากกายอย่าไปยึดไปติดกับกายแล้วใจจะไม่ทุกข์ถ้าไปยึดไปติดแล้วใจจะทุกข์ทรมานแล้วก็ต้องเสียกายไปอยู่ดีไม่ว่า จะยึดหรือไม่ยึ ด, ไ ม, ยดไม่ยึดเวลาเสียไปก็ไม่ไม่เดือดร้อนถ้ายึดเวลาเสียไปก็ทุกทรมานใจนี่คือเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างธรรมะในเวลาว่างที่เรามีอยู่นี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราอย่างแท้จริงอย่าปล่อยให้วันเวลาที่เรามีเวลาที่มีเวลาว่างนี้ ผ่านไปโดยไม่ได้ได้ทำรูปบำรุงรักษาใจของเราให้จเจริญเติบโตงอกงามขึ้นไปถ้าเราทําได้มากเท่าไหร่ใจก็จเจริญเติบโ ต, ตได้มากขึ้นไปเท่านั้นพพชาติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่เลยดงนั้นขอให้เราจงใช้เวลานี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้ แล้วชีวิตของท่านก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบําเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัจใจ ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขะภระโดยทั่วหน้าการเทอ